สวัสดีครับพี่น้องทับพนี่คืียงจากสีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วนะครับคาอุปมาตอนที่เก้าเรื่องอวนและบทสรุปน้องครับพโอษะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมวจีบทที่สิบสามข้อที่สี่สิบเจ็ดจนถึงข้อที่ห้าสิบสองครับพระธรรมวจีบทที่สิบสามข้อที่สี่สิบเจ็ดจนถึงข้อที่ห้าสิบสองครับบทฟังโอษณะของพระเจ้า อีกประการหนึ่งขันยินสวรรค์เปรียบเหมือนอวนที่ลากอยู่ในทะเลติดปลารวมทุกชนิดเมื่อเต็มแล้วเขาก็ลากขึ้นปั๊มนั่งเลือกเอาแต่ที่ดีใส่ตะกร้าแต่ที่ไม่ดีนั้นก็ทิ้งเสียในเวลาซึ้นยุคก็จะเป็นอย่างนั้นพวกทูสวรรค์ก่อกมาแยกคนชั่วออกจากคนชอบทำแล้วก็บทิ้งลงในเตาไฟอันลุกโผล่ที่นั้นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฝัน ข้อความเหล่านี้ท่านหลายเข้าใจแล้วหรือเขาทูลตอบพร่องว่าเข้าใจพระเจ้าค่ะฝ่ายพระองค์จ่ายกับเขาว่าเพราะฉะนั้นพวกธรรมจารทุกคนที่ได้เรียนรู้ถึงแผ่นดินพระเจ้าแล้วก็เป็นเหมือนเจ้ของบ้านที่เอาทั้งของใหม่และของเก่าออกจากคลังของตนพิรันคาโพธินาระเ้าตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับคำอุปมาของเพชู ผมก็ขออนุญาตรวมสองตอนนะครับสองเรื่องราวมาอยู่ในทั้งเดียวกันเรื่องแรกก็คือเรื่องอวนครับซึ่งปรากฏอยู่ในข้อที่47จนถึงข้อที่50ครับพระเยซูกาลังสอนเรื่องแผ่นดินสวรรค์เหมือนกับคนที่ลากนะครับลากอวนมีเล็ทะเลและสิ่งที่ติดมาอยู่ในอวนนั้นก็มีปลาครับปลาแทบทุกชนิดที่อยู่ในอวนนั้น แต่เมื่อเขาลากได้ปลาก็เอาขึ้นฝั่งครับเลือกครับเลือกสินที่ดีใส่ตะกร้าไปขายไปกินไปทำอะไรก็แล้วแต่แต่ที่ไม่ดีนั้นก็ทิ้งเสียะครับเราเห็นว่าพระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ด้วยคำอิปกู ป, ประมาณในเรื่องนี้เปรียบเทียบแผ่นดินสวรรค์เหมือนกับการลากกวนในทะเลอวนนั้นก็ติดปลาแต่ปลาที่ดีนะครับเอาใส่ตะกร้าปลาที่ไม่ดีก็โยนทิ้ง พระเยซูทรงอธิบายส่วนหนึ่งของคาอุมาีในข้อที่สี่สิบเก้าและข้อที่ห้าสิบนะครับก็คือการแยกสิ่งที่ดีแลกสิ่งที่ไม่ดีซึ่งเป็นการเปรียบเทียบถึงเวลาสิงอยู่ครับคนชั่วจะต้องถูกแยกออกจากคนชอบธรรมและผลสุดท้ายที่เกิดขึ้นของคนที่ถูกโยนลงไปในเตาไฟก็ได้บันทึกไว้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะะฉนั้นก็ก่อนที่จะอธิบายต่อไปนะครับเราต้องมาดูเรื่องอวนก่อนครับเรื่องของการใช้อวนลาก กับเป็นตัวอย่างหรือเป็นคาอุปมาที่พระเยซูกําลังอธิบายเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์เป็นสิ่งที่เหล่าสาวกเข้าใจดีครับเมื่อพระเยซูพูดถึงอวนเพราะว่าพวกเขานั้นมีอาชีพเดิมคือชาวประมงอยู่แล้วหลายๆครั้งทีเดียวที่พวกเขาแล่นเรือไปในทะเลเกาหีพวกเขาคงจะสนุกกับการจับปลาการลากอวนเราเห็นว่าสาวกของพระเยซูสี่คนนะครับเป็นชาวประมงก็คืคอเปโตอันดู แยกออกแล้วก็ย้อนชนิดของอวนที่เก่านะครับประมาณนี้เป็นอวนลากครับในอวนชนิดนี้มีลักษณะเสียมขนาดใหญ่ผูกด้วยเชือกตรงมุมและใช้เป็นที่ลากอวนเข้าหากันนะครับข้างล่างอวนนั้นก็จะมีโซ่ถ่วงน้ําหนักร้อยติดอยู่ครับปลายข้างหนึ่งของเชือกอวนจะผูกเข้ากับฝั่งหรือหลักบนฝั่หรืออาจจะเป็นเรื่ออีกลำหนึ่งครับเพราะฉะนั้น ถ้าว่าใช้เรือของลำเรือทั้งสองนั้นก็ต้องตีอ๊ครับตีโอ๊ปูงปลาแล้วก็มาหากันนะครับแล้วก็ลากวนนั้นเพื่อดักจับปลาวนก็จะติดปลามากมายครับและการจับปลาแบบนี้มีความจําเป็นต้องนําปลามาเลือกครับปลาที่เน่าเปื่อยหรือปลาที่ชาวอยู่ห้ามเอาระพานก็คือปลาที่ไม่มีคลีบนะครับไม่มีเกลกก็จะถูกโยนทิงครับส่วนปลาอื่นที่กินได้ ก็นําใส่ตะกร้าที่มีน้ําเกลืออยู่เพื่อรักษาปลาให้สดเสมอพี่น้องครับพ ร, ระาาเจ้าค่ะกำลังสอนให้เราจับปลาเหมือนกับที่ตรงได้ทรงบอกไปตัวว่าเราจะตั้งเจ้าให้เป็นผู้จับคนดังจับปลาการจับคนหมายถึงการที่นําคนมาเชื่อในองค์พระพิจารับหมายถึงการต้อนปลานะครับเข้าอวนแต่เมื่อต้อนปลาเข้าอวนนะครับ ก็คือหมายถึงการที่นําคนมารู้จักพระเจ้าการที่นําคนเข้ามาอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าแต่ในขณะเดียวกันเรารู้ว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นก็จะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันก็คือมีคนที่ไม่ได้เชื่อจริงเข้ามาครับและเมื่อมีคนที่ไม่ได้เชื่อจริงเข้ามาเราจะเห็นว่าคำโอุมานี้ก็มีความหมายคล้ายคึงกับคําอุมารเรื่องของข้าวสารหรือข้าวระมาณ น, นะครับพระเจ้าก็ให้โอกาสที่สอง ให้โอกาสที่สาให้โอกาสเขาเสมอจนกว่าถึงวันที่พากษาครับโอกาสที่พระเจ้าให้เขาก็หมดลงพี่น้องครับคําองมาเรื่องข้าวสาลีเข้าประมาณผมได้อธิบายไปโดยละเอียดแล้วเป็นภาพของการพิพากษาเช่นเดียวกันคำกับควรที่ติดปลาก็จะมีการเลือกก็คือการพิพากษามีคนจํานวนมากมาได้อิทธิพลของแผ่นินสวรรค์แล้วก็เข้ามาได้ลิ้มรสของแผนินสวรรค์ เช่นเดียวกับโอวนที่ได้ติดปลามาเป็นจำนวนมากาหลายชนิดผู้ที่ดำรงตัวอยู่ในความเชื่อมัน่นศรัทธาเท่านั้นก็คือปลาที่ดีก็เปรียบเสมือนกับข้าวสาลีครับแต่ผู้ที่ตกมาตรฐานของพระเจ้าก็คือคนที่เป็นผู้ที่ไม่ได้เชื่อจริงมีความหลอกลวงอยู่ในใจไม่ได้พบกับองคุปเป็นเจ้าอย่างแท้จริงไม่ได้สารภาพาบาป ไม่ได้ติดตามพระเยซูไม่ได้ต้อนรับพระเยซูไม่ได้บังเกิดใหม่คนเหล่านั้นอาจจะเดินไปเดินมาอยู่ในทิศจักรอาจจะรับใช้บางสิ่งบางอย่างอยู่ในทิศจักรแต่ว่าในที่สุดแล้วเขาก็จะเป็นเหมือนกับข้าวละมานหรือปลาที่เน่าหรือปลาที่ไม่สามารถจะกินได้ทีนึงครับมาตรฐานของพระเจ้าสูงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องผ่านมาตรฐานนี้ ปัญหาก็คือว่าเราจะผ่านมาตรฐานนี้ได้อย่างไรอย่าลืมนะครับว่าเรามีพระเจ้าพระผู้ช่วยรอดและเรามีอวยย้ายบริสุทธิ์เป็นผู้ที่อยู่เคียงข้างเราคอยช่วยเราตลอดเวลาเดังกับขณะที่เรากําลังจะผ่านมาตรฐานนี้ขอพระเจ้าช่วยแล้วนะครับให้เรากลับคืนสู่สามันกลับคืนสู่เบสิกก็คือต้องถามตัวเองว่าเราได้บังเกิดใหม่แล้วหรือยังเรามั่นใจในความรอดของเราแล้วหรือยัง ในขณะที่เราเล่าเทพเจ้าหลายหลคนอาจจะก้าวข้ามเรื่องของการบังเกิดใหม่เพราะเลยครับเพราะว่าเมื่อครั้งเริ่มที่จะรู้จักพระเจ้านั้นเริ่มที่จะเชื่อในพระเจ้านั้นเขาจะไม่ได้บังเกิดใหม่ครับนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากเรื่องของการบังเกิดใหม่ถ้าว่าใครไม่บังเกิดใหม่คนนั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้จะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้นี่แต่ท่านอาจจะเข้าในโบสถ์ได้ ถ้าเนี่ยจะเข้ามาช่วยงานของพระเจ้าบางสิ่งบางอย่างได้แต่ในที่สุดเราก็จะถูกแยกนะครับใครเป็นข้าวสาลีใครเป็นข้าวละมานทุกคนจะได้รับการแยกจากทูสวรรค์ครับทีนี้ครับแต่พระญาณพระเจ้าอีกตอนหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์สําคัญด้วยและก็เกี่ยวข้องกับพระกัมพีตอนนี้ก็คือในพระธรรมโรมนะครับบทที่สิบข้อเก้าถึงข้อสิบสามพระธรรมโรมบทที่สิบข้อที่เก้าถึงข้อสิบสาม นครับถ้าหาพี่น้องมีพระคัมภีร์นะครับผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสเปิดไปด้วยกันนะครับแต่ว่าท่านไม่ได้เปิดพระคัมภีร์ผมอยากให้ท่านฟังโรงมบทที่เก้าโรมบทที่สิบข้อเก้าถึงข้อสิบสามรับโปรดฟังข้อชนะของพระเจ้าคือว่าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เชื่อในจิตใจว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอดโดยว่าความเชื่อด้วยใจนําไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับสัจจ์ของเจ้าด้วยปากก็นําไปสู่ความรอดโปรดฟังอีกครั้งนะครับในี่ยก็ดีสุดสำคัญมากด้วยว่าความเชื่อด้วยใจก็นําไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับสัจจ์ของพระเจ้าด้วยปากก็นําไปสู่ความรอดนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเชื่อด้วยใจรับด้วยปากหรือบางคนก็พูดสลับกันนะครับว่า รับด้วยปากและเชื่อใจนําไปสู่ความรอดแต่ในครั้งบางคนนะครับอาจจะไม่ได้รับด้วยปากครับหรือบางคนอาจจะรับด้วยปากแต่ไม่ได้เชื่อวยใจอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะครับพรอในที่สุดแล้วเราจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้หรือไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้ครับถ้าเราดูต่อไปนะครับเราจะพบว่าพระเยซูกําลังสอนต่อในพระธรรมปัตติวนะครับบทที่สิบสามกลับไปที่เดิมนะครับปัตติวบทที่สิบสามพูดถึง อุปมาสุดท้ายเป็นการสรุปอุปมาทั้งหลายชับเก่าและชับใหม่ที่นี้พระเยซูเริ่มต้นสอนว่าข้อความเหล่านี้ท่านทั้งหลายเข้าใจหรือพระเยซูถามเป็นคําถามนะครับจากคาสอนของพระองค์และพวกเหล่าสาวกของพระองค์ก็ตอบพระว่าข้าพเจ้าเข้าใจไปะเจ้าข้ามีความหมายว่าไงครับมีความหมายว่าพระเยซูกําลังสรุปคําสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องของการอุปมาคําอุปมาให้กับเหล่าสาวกของพระองค์เมื่อสอนหมดแล้ว ตรงก็ถามว่าเขาเข้าใจหรือเปล่านะครับก็บอกว่าเขาเข้าใจเปียสูก็สอนต่อทับว่าฝ่ายพระองค์ตัดกับเขาว่าเพราะฉะนั้นพวกธรรมจารทุกคนจะได้เรียนรู้ถึงแผ่นดินของพระเจ้าแล้วก็เป็นเหมือนเจ้าของบ้านที่เอาทั้งของใหม่และของเก่าออกจากหลังของตนตงพ่อพีตอนนี้สําหรับบางท่านนะครับอาจจะเป็นพ่อพีที่เข้าใจยากัีหน่อย แรกๆผมอ่านเพิ่มเพียรตอนนี้แล้วก็รู้สึกว่าอืมงงๆเหมือนกันนะครับจตเมื่อได้มีโอกาสค้นคว้าหาคําอธิบายที่นี่คําถามก็คือว่าพระเยซูกําลังจับอะไรกับเราทั้งหลายไหมพวกธรรมจารย์นะครับโดยปกติแล้วเป็นผู้แปลธรรมบัญญัติเป็นผู้ที่อธิบายความบางคนก็อาจจะทัดลอกธรรมบัญญัตินะครับเมื่อพระเยซูได้พูดถึงบทบัญญัติและคำพยายกรณ์โปรงตีความหมายและสอนพวกเขาครับ ประชาชนทั้งหลายก็ประหลาดใจในวทธีอานาจของพระองค์พี่ยาชุกําลังบอกกับพวกเราว่าสาวกของพระองค์พวกเราทั้งหลายนั้นเปรียบเส ม, มือนกับธรรมาจารย์นะครับธรรมจารย์พวกใหม่พอเราอ่านเพิ่มปีตอนนี้นะครับเราอาจจะงงงงในภาษาไทยแต่เมื่อมีโอกาสพิกไปอ่านในภาษาอังกฤษเราจะไม่สงสัยเลยครับที่พี่กำลังบอกว่าธรรมจาร์ใหม่นะครับหรือธรรมจาร์ที่เริ การเรียนรู้แล้วการสอนจากใครครับจากพระเยซูนั่นหมายก็นั่นมีความหมายว่าเราสาวกครับเราสาวกนะครับรวมถึงพวกเราด้วยเหมือนกับพวกธรรมจารย์นะครับตรงเล็บพวกใหม่ที่น้องครับพระเยซูทรงเปรียบแล้วทั้งหลายนะครับต่อไปเหมือนกับเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั้งของเก่าและของใหม่ด้วยของเก่านั่นหมายถึง บทบรรยัติเป็นเพิมพีเดิมครับของใหม่หมายถึงคาสั่งสอนของพระเยซูท่าครับผมพูดอีกครั้งนะครับบทบัญยัติในเพิ่มพีภาคสัญญาเดิมหมายถึงของเก่าครับและคำสั่งสอนของพระเยซูเป็นของใหม่เปรียบที่ได้ง่ายก็คือ Old Testament กับ New Testament นั่นเองท่งครับเราซึ่งเป็นลูกศิษย์หรือสาวกของพระเยซูเรามีทรัพย์สมบัติทั้งสองอย่างครับและเราสามารถนำทรัพย์สมบัติเหล่านี้ออกมา แบ่งปันให้กับคนอื่นออกมาสั่งสอนให้กับคนอื่นเอามาใช้เมื่อไหร่ก็ได้เมื่อเราต้องการพี่น้องครับคำว่า เ, เจ้าของบ้านก็คือพ่อที่มีสิทธิอำนาจที่สุดในบ้านเรานะครับได้รับมอบสิทธิอำนาจจากพระเยซูเรามีสิทธิอำนาจที่จะให้ทรัพย์สมบัตินี้ทั้งใหม่และเก่าตามที่เราพัฒนานะครับจะคิดถึงว่าพระคุมภีร์นั้นคือทรัพย์สมบัติที่ยิ่งใหญ่ ทั้งภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม่ครับเราจะแบ่งปันกับผู้อื่นเพื่อที่เราจะมีอิทธิพลต่อคนที่จะเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้านั่นหมายความว่าเรากําลังถือนะครับกุญแจแห่งความรอดถือสิทธิอำนาจที่พระเจ้าได้พระเยซูได้มอบหมายกับเราในการที่จะนําคนขึ้นสวรรค์ครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิทธิพิเศษนับเป็นเกียรติอันสูงส่งที่เราทั้งหลายได้มีโอกาส ร, รับใช้ และเราทั้งหลายไดมีโอกาสนําวิญญาณมาถึงพระเยะซูพี่น้องครับไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามพระเยะซูใช้เราทั้งหลายทุกคนกับซึ่งเป็นลูกของพระองค์ผู้ที่เป็นสาวกของพระเยะซูในช่วงเทศกาลคิดสมบบนี้เราได้อธิษฐานเต่อคนเหล่านั้นแล้วหรือยงที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าหลายหลคนอาจจะเป็นญาติพี่น้องของเราหลายหลาคนอาจจะเป็นเพื่อนของเราที่เราสนิทสนม และแล้วคนอาจจะเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อเราแต่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าอนิษฐานนะครับและเรานนั้นเป็นคนที่ดูแลทรัพย์สมบัติของพระเจ้าทรัพย์สมบัตินั้นหมายถึงอะไรครับหมายถึงความจริงคตธรรมเรื่องความรอดที่เกี่ยวข้องกับพระกุมภีเดิมและพระกุมภีใหม่จะถูกเปิดเผยเพราะฉะนั้นเราได้รับพระคุณมากกว่าคนยิวนะครับที่ได้ถือพระคุมภี์เดิมอย่างเดียวเพราะเหตุที่ว่าเรานั้นได้มีพระสัญญาใหม่ด้วยพี่น้องครับโดยการ ทำอย่างถูกต้องอย่างดีตามคำสอนของพระเยซูเราทั้งหลายจะสามารถเป็นน้ําเป็นเครื่องมือที่ทําให้ น, น้ํามันไทยของพงค์สําเร็จนะครับอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสแบ่งปันพระชนะของพระเจ้าแบ่งปันข่าวประเสริฐให้กับคนมากมายอาเมน